เอาเดี๋ย ว, วมีเวลาจํากัดแค่ชั่วโมงกับอีกยี่สิบไม่ถึงยี่สิบนาทีาทจะไม่จบจะพูดในเรื่องการปรินิพานของภาษาริบุตรให้ฟังนะพูดเรื่องสองสูตร ในแต่ว่าจะไปได้จบหรือเปล่าก็พยายามเดี๋ยวเร่งเล น, นิดนึงนะเพราะว่าค่อนข้างเป็นเป็นพระสูตรอยู่สองสูตรที่เชื่อมโยงกันในพระสูตรสูตรแรกเนี่ยจะพูดถึงในเรื่องของนารันทาสูตรว่าด้วยธรรมปริยาาะเนี่ยก็คือสมัยหนึ่ง สมัยหนึ่งเอกังสมัยยังสอบนี่พระอันนนท์ท่านจะใช้คําว่าสมัยหนึ่งเนี่ยเพื่อต้องการบอกถึงว่าไม่ได้ระบุเวลาเดือนพศออขึ้นแรลมแต่เป็นใช้คําว่าสมัยหนึ่งไปเลยพระผู้มีภาคเจ้าเนี่ยประทับอยู่ที่ปาวาริกระอัมพวันใกล้เมืองนาลันทาปาวาริกระอัมพวัน คำว่าปาวาริกะอัมพวันก็คือเป็นสวนมะม่วงอัมพวันเนี่ยนะอัมพระเนี่ยอัมพระคือมะม่วงวันก็คือป่าป่ามะม่วงนั่นแหละที่นารันทาครั้งนั้นท่านภาษาที่บวชเข้าไปเป้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วก็นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เนี่ยเรื่มใส ในพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าคำว่าศรัทธาภาษาธาเนี่ยภาษาธาก็คือเลื่อมใสนี่เลื่อมใสพระสมณะหรือพราหมณ์เหล่าอื่นซึ่งจะรู้ยิ่งไปกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าในทางปัญญาเครื่องตัดสรู้เนี่ยไม่ได้มีแล้วจักไม่มีแล้วย่อมจะไม่มีในบัด น, นี้แปลว่าอะไรรู้ไมไม่มีสมณะพราหมณ์เหล่าอื่นที่จะมีปัญญาตัสรู้ ในอดีตก็ไม่มีในอนาคตก็ไม่มีและปัจจุบันก็ไม่มีไม่มีสมรภามเหล่าอื่นเนี่ยที่จะรู้เท่าเท่ากับพระเจ้าพทะเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรนี้เป็นอาสพิวาจาอย่างสูงนะเออทาไมเธอกล่าวอย่างนั้นทำไม้เป็นการกล่าวที่อาถานมากเข้ <c oughs> <c oughs> าใจความนี้นะทำไมพูดคํานี้ออกมาได้เนี่ยอันนี้เป็นคําพูดหรือเนี่ยพูดด้วยความใช้ปัญญาตรีตรองคิดดีแล้วหรือยังเนี่ยนองอย่างนี้นะ ที่เธอกล่าวว่าเธอถือเอาแต่ว่าท่าอย่างเดียวบรรลือศีนานาตพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์เลื่อมใสในพุทธเจ้าว่าสมณะหรือพราม์เหล่าอื่นซึ่งจะรู้ยิ่งกว่าพราะผู้มีภาคเจ้าในทางปัญญาเครื่องตรัสรู้เนี่ยมิได้มีแล้วก็คือไม่มีแล้วในอดีตจักไม่มีในอนาคตและย่อมไม่มีใน บ, บัดนี้เนี่ยพุทธเจ้าดูก่อนสารีบุตรผ้าหันแตสามมาสามุทรเจ้าเหล่าใดที่ได้มีมาแล้วในอดีตการ พระผู้มีพระเจ้าเหล่านั้นทุกพระองค์อันเธอกําหนดซึ่งใจด้วยใจแล้วรู้ว่าพระผู้มิภระเจ้าเหล่านั้นได้ทรงมีศีลอย่างนี้ได้มีธรรมะอย่างนี้ได้มีปัญญาอย่างนี้ได้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้หรือหลุดพ้นแล้วอย่างนี้ดังนี้กันนั้นหรือเอาเลยสิดี๋นี้คือพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเธอเนี่ยมีปัญญาสามารถอย่างรู้ใจของพระพุทธเจ้าในอดีต พระเจ้าในปัจจุบันและพระเจ้าที่จักมาตรัสในอนาคตเนี่ยได้รู้กําลังว่าพระเจ้ามีศีลเท่านี้มีสมาธิเท่านี้มีปัญญาเท่านี้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เท่าเนี้เธอสามารถเข้าไปเห็นรู้ทะลวงหมดไหมจริงๆภาษาลิบทเทนหมดไหมหมดด้วยหมดหมดหรือไม่หมดเงียบภาษาลิโวตขามีได้พระเจ้าค่ะ พระเจ้าดูก่อนสารีบุตรพระหันจสัมมาสมาุทรเจ้าเหล่าใดที่จะมีในนาคตและพระทเจ้าเหล่าใดทุกพระองค์อันเธอกําหนดรู้ด้วยใจว่าพระเจ้าเหล่านั้นจะมีศีลมีธรรมมีปัญญาจะมีธรรมเครื่องอยู่อย่างนี้กันนั้นหรือบกหาไม่ได้แล้ในบัดนี้แหะเธอสามารถรู้ใจของพทธเจ้าได้ไหมว่ามีศีลเท่าไหร่มีสมาธิเท่าไหร่มีปัญญาเครื่องรู้เท่าไหร่มีธรรมเครื่องอยู่ยอย่างไรยหลุดพ้นแล้วอย่างไรรู้ไหมบกหาไม่ได้ ดูก่อนสารบุตรในข้อนี้เธอไม่มีเจโตปริยาณในพระรหัสธสรมมาสัมฤทธเจ้าทั้งในอดีตทั้งอนาคตและปัจจุบันคือที่จะไปรู้ใจพระพุทธเจ้าทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันเธอเมื่อเป็นเช่นนี้เพราะเหตุไรเธอจึงกล่าวอาสภิวาจาอย่างสูงนี้ทํำไมอาจหาญจังเธอถืออาวาทะอย่างเดียวก็บรรลือเสียหน้าโดยพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าว่าสำนักหรือพรามณ์เหล่าอื่นซึ่งจะรู้ยิ่งไปกว่าพระพุทธเจ้า ในทางปัญญาเครื่องตรัสรู้ไม่ได้มีแล้วจักไม่มีแล้วจักไม่และไม่มีในแบบนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆเนี่ยที่จะมารู้มากกว่าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันไม่มีแม้พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ในอนาคตจะมารู้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในปัจจุบันนี่ก็ไม่มีภาษาริบุตรยืนยันอย่า ง, างนี้ทารู้ก็เท่านี้แหละถ้าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี่แหละ อันนี้อันนี้ต้องคิดรอบครอบหลายร้อยหลายล้านตลบมากนะถึงกล้าไปกล่าวยืนยันต่อหน้าพระพักตร์พระพุทธเจ้าคำนี้เนีเพราะทั้งๆที่ตนเองไม่ได้มีปัญญาเท่าพุทธเจ้าไม่ได้รู้ศีลว่าพุทธเจ้ามีประมาณศีลเท่าไรมีสมาธิเท่าไรมีปัญญาเท่าไรมีทำเครื่องอยู่เท่าไรแล้วก็ตัดสู้ได้ด้วยอาการอย่างไรลักกิเลสด้วยอาการอย่างไรไม่เคยไปรู้ในรายละเอียดถี่ถ้วนเลยเลยเนี่ยแต่ยังสามารถกล่าวอาสพิวาจาวาจาที่องค์อาจว่าสามารถไปรู้อย่างนี้ ข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญข้าพระ อ, องค์ไม่ได้มีเจโตปริยานในพระารสานธสรมมาสมุทรเจ้าทั้งในอดีต ท, ทั้งในอนาคตและปัจจุบันแต่ข้าพระ อ, องค์รู้ได้ตามกระแสแห่งธรรมะเนี่ย้สังเกตดีนะข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญเปรียบเสมือนปัจจันตนครพราชามีเชิงเทินที่มั่นคงมีเมืองเล็กๆเกนี่ย น, นะ มีกำแพงและก็หอรบแน่นหนาะมีประตูเข้าอยู่ประตูเดียวคนเฝ้าประตูของพระราชาในนครนั้นมีปัญญาเฉลียวฉลาดมีความรู้ห้ามคนที่ไม่รู้จักให้คนที่รู้จักเข้าไปเขาก็มีหน้าที่เดินตรวจตามทางรอบนครนั้นไม่พบที่ต่อหรือช่องเหงกกำแพงโดยที่สุดแม้เพียงแมวที่จะรอดเข้าไปได้ เขาก็จะพึงมีความคิดอย่างนั้นว่าสัตว์ตัวคึงเครือ ง, องชนิดใดชนิดหนึ่งจะเข้านคร น, นี้หรือออกไปเนี่ยสัตว์ตัวนั้นทั้งหมดย่อมเข้าและออกประตูนี้เท่านั้นแม้ชั้นใดข้าพระองค์ก็รู้ตามแนวแห่งกระแสะธรรมะก็ฉันนั้นเหมือนกันคืออะไรพระหันทสัสมมาส ม, มุทรเจ้าเหล่าใดทั้งที่มาแล้วในอดีตพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทุกพระองค์ถ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องล้านิวรห้5 อันเป็นเครื่องเศร้าหมองห่งใจที่ถอนกําลังปัญญาต้องมีอหิยะตั้งมั่นดีแล้วมีสติปฐานสเจริญโพชงเจ็ตามความเป็นจริงตัดสรุนนุตรสัมมาสมัมปวิญานแล้วแม้พระพุทธเจ้าในอดีตก็ต้องตัดสรุ้ตามแนวนี้แหละพระพุทธเจ้าปัจจุบันก็ตัดสรู้ตามแนวนี้แหละแม้พระพุทธเจ้าที่จะมาในอนาคตก็ต้องละนิวรณ์หก่อนเมื่อทําจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิแล้วสมาธิเป็นฐานเดิน น, าานิพพานาญาณแล้วก็จะแทงตลอดอดียสัจจะ จเจริญสติปัฏฐาน4เหมือนกันหมดจเจริญโพชงเหมือนกันหมดจเจริญอริยมรรคมี8องค์แเหมือนกันหมดแล้วก็ได้ตัดรูรนุตราสัมมาสัมพธิยานเหมือนกันหมดแม้พระพุทธเจ้าในอนาคตก็จะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้แหละว่างั้นเถอะว่าแม้ในอนาคตพระพุทธเจ้าเหล่านั้นจะเจ้าล้านิวรณ้าอันเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งใจที่ทอนกําลังปัญญา ทรงมีหะไทยตั้งมั่นดีแล้วในการเจริญสติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตตำก็เจริญโพชฌงเจตเจริญมรรคแตามความเป็นจริงแต่สรุนุตรสัมมาสมัมปจนีย์แล้วยืนยันอยังไงพระเจ้าบอ ก, กดีแล้วดีแล้วเพราะเหตุ น, นั้นแหละเธอเพิงกล่าวธรรมบริยายหนึ่ ง, งแกภิกษุภิกษุณีวาสุป ว, วิจิก า, าได้ว่าโมฆาบุตรเหล่าใดจักมีความเครือบแคงและความสงสัยในถตาคตโมฆาบุรุษเหล่านั้นจักละควบเครือบแคงและความสงสัยนั้นเสียเพราะได้ฟังธรรมปริยายนี้ ต่อไปคนไม่รู้เนี่ยโมฆะเนี่ยคนไม่มีปัญญาจะได้รู้นี่ที่ต้องการชี้เห็นว่าภาษาลิบุตรเป็นคนท่านมีปัญญ า, ามากจริงๆไม่ใช่คำนวณเฉพาะแต่ตนเองคํานวณแม้การตัดสู้ของพระทเจ้าก็ต้องเป็นช่องทางนี้เท่านั้นและไม่เกินจากทางทางนี้พระพเจ้าเราไดนาดีตุลาจะตัดสู้ก็ต้องละนิวรณาก็ต้องทำปฐมฌานทุเตฌานตัติฌ า, านจดุจฌ า, า น, าานวิตเตอร์นี้เกิดขึ้นก่อน เมื่อทำฌานสมาบัติเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็เทศฌานเป็นฐานเดินวิปัสนาญาณแทงตลอดนะเดินวิปัสนาญาณในการที่จ ะ, จะเจริญสติปัฏฐานสี่สรุปแล้วก็คือคนที่ยังละนิวรห้าไม่ได้จเจริญสติปัฏฐานสี่ยังไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเดินสติปัฏฐานสี่แล้วก็อบรมอินทรีพระละโคชจงอริยมาให้เกิดขึ้นพอเข้าใจตรงนี้ไหม ต้องเข้าใจสูตรนี้ไหมก็คือสรุปแล้วก็พระพุทธเจ้าเนี่ยในอดีตเนี่ยเวลาจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะต้องเข้าบทบรญชาญทุเรียนฌานมาตามดับ เ, เดินศีลก่อนเดินสมาธิมาอานาเป็นฐานเบ็ดเสร็จแล้วก็เดินอนุปัสสนาญาณอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาหน้าตานุปัสสนาก็แทงตลอดอริยสัจก็มาในแนวทางนี้เหมือนน แต่จริงอยู่ภาษาริบุตไม่สามารถไปกําหนดใจด้วยใจว่าท่านเดินยังไงช่องทางรายละเอียดไงแต่ดูตามแนวธรรมะตามช่องทางเหมือนที่คนเฝ้ากําแพงเมืองของพระราชามีประตูเดียวเท่านั้นที่จะเข้านะคนที่จะมาจากไหนก็แล้วแต่จะเข้าประตูเข้าประตูนี้ออกก็ออกประตูนี้เหมือนกันพระพุทธเจ้าในอดีตก็เนี่ยเดินเข้ามาแนวทางนี้แหละแนวทางของศีลสมถาวิปัสนาใช่ไหม ศีลสมถาวิปัสนาเบื้องต้นเข้าสู่อริยมรรยผลเข้าสู่พนิพพานแนวทางนี้เท่านั้นแหละไม่มีแนวทางอื่นเข้าใจใช่ไหมศีลสมถาวิปัสนาเป็นความงามในเบื้องต้นอริยมรรยาผลเป็นความงามในท่ามกลางนิพพานเป็นความงามมันสูงสุดจะต้องเข้าสู่ความงามในพระศาสนาแนวทางนี้เท่านั้นไม่มีแนวทางอื่นมองเห็นยังเออเนี่ยสรุปนี้พอชัดไหมอุดตังนานวันนี้ดูในพระสูตร สมัยหนึ่งนะพระพูมิภาคเจ้าเนี่ยจำภาษาแล้วสเสด็จจากเวรกวาคามทรงดำรีว่าท่านจะไปสาวัตถีก็คือจะไปเคตวันเวรกวาคามอยู่ตรงไหนเดี๋ยวดูแผนที่นไม่มีไม่ไมเวรกวาคามอยู่ที่ไหน ไมอเวรุคามเนี่ยอยู่เวสาลีนะเมื่อเวลาจะเดินจะไปสาวัตถีเนี่ยโอ้โหต้องต้องเดินทางอย่างนี้เลยนะจากเวรุอคามนะมาเวสาลีกรุงเวสาลีใช่ไหมจากเวสาลีก็เข้ากุกกาวเวรคามเนี่ยข้ามแม่น้ําคงคาพอข้ามแม่น้ําคงคาก็มาปาติกคามก็คือกรุงราชคฤึ้ มาปาตริกามกึกในบริเวณกรุงราชคฤตในแฟนมาคตเบ็ดเสร็จก็เดินทางเข้าสาวัตถีอีกทีนึงวุ้งตรงไปสาวัตถีในจากสาวัตถีพระเจ้าเสด็จอย่างนั้นก่อนนะก่อนในในในในภาษาเนี่ยพอออกจากเวรุคาเวรคาอยู่ที่เวสาลีนี่มันจะมันจะเดินลัดตัดตรงไม่ได้ต้องเดินเข้ามาเวสาลีเข้ามาข้ามแม่น้ําคงคา ใช่ทีนี้พอมามาราชคลึสมาราชคลึ่ก็จากราชคลึ่กก็ไปสาวัตถีตอนนั้นพระเจ้าไปสาวัตถีแล้วก็ถึงเมืองสาวัตถีโดยลำดับแล้วก็ไปที่เชตวันในครั้งนั้นภาษารีบุตรเนี่ยแสดงวัดถวายพระเจ้าแล้วไปพักกลางวันภาษารีบุตรตามไปด้วย ความได้ภิกษุสงฆ์ที่เป็นสัตวิวิหาริกเนี่เวลาท่านไปถวายวัดอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าเสร็จแล้วท่านก็ไปพักกลางวันเข้าสมาบัติพอออกจากสมาบัติแล้วเนี่ยท่านก็กวาดที่พักกลางวันปูแผ่นล้างเท้าแล้วก็นั่งคูบนหลังเข้าพระสมาบัติพอท่านออกจากสมาบัติแล้วท่านก็กําหนดปริวิตรกว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะปรินิพานก่อนหรือหนอเนี่ยหรือว่าอัครสาวกปรินิพานก่อน ตอนนี้ท่านหาที่นิพพานกันแล้วท่านก็ดำรีว่าเอ๊ะระหว่างสาวกของพระพุทธเจ้าคืออัครสาวกวกับพระพุทธเจ้าเนี่ยใครปรินิพานก่อนกันพวกเราลองทายดูยทีใครควรปรินิพานก่อนใครก่อนสาวกต้องปรินิพานก่อนนะอัครสาวกเนี่ยไม่ใช่สาวกอื่นอัครสาวกเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยต้องปรินิพานก่อน นี้ในอดีตก็เป็นอย่างนั้นนี่เป็นประเพณีเป็นปร ะ, ประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแบบนี้เห็นไหมท่านก็จะพึ่ตามประเพณีนั้นนั้นหรือว่าแต่นั้นท่านก็รู้ว่าพอรู้ได้แปลว่าท่านมียานอย่างรู้อดีตไหมมีไม่มีเห็นไหมมียานอย่างรู้ในอดีตปุ๊บท่านก็ระ ล, ลึกชาติไปในอดีตปุ๊บอ๋อพระพุทธเจ้าในอดีตเนี่ย ต้องปรินิพพานที่หลังท่านก็รู้ว่าอายุสังขารของเราเนี่ยจะเป็นไปได้อีกอกี่วันเออพระอรหันเนี่ยท่านสามารถยืดอายุได้อันนี้คือความสามารถแต่ถ้าดูตามอายุไขท่านก็รู้จะยืดให้เกินอายุไขก็ได้นี่คือความสามารถของท่านสมมติอายุไขของท่านเนี่ยจะอยู่ตามอายุไขของท่านเนี่ยกำหนดว่า80ิเนี่ย ท่าจะยืดให้เกิดให้ถึงร้อยก็ได้อันนี้คือความสามารถแต่จริงๆแล้วพระอหานทั้งหลายเนะี่ยท่านอยากจะอยู่ต่อไหมหรืออยากจะบริิที่ผ่านเพราะอะไรอะ่ะเพราะอะไรมันเหมือนคนทํางานเสร็จแล้วแล้วรอรางวัลชิ้นโบแดงโบนัสเหมือนคนทํางานหนักห น, หนาสหาหัสมากหวังไอบโบนัสชิ้นเนี้ฉะนั้น จึงมีความต้องการเหลือเกินที่จะบรีที่ผ่านเวลาท่านอยู่ก็อยู่ะยุงขันไปอย่างนั้นแหละพะยุงอัตภาพเป็นไปอย่างนั้นอยากจะได้ควรู้สึกนี้บ้างไหมคือพยุงอัตภาพเท่านั้นเองว่าให้เป็นไปได้มันลำบากด้วยนะต้องกินต้องขับถ่ายต้องเดินต้องยืนต้องนั่งต้องนอนโอ้โหมันมันลำบากอะ โอวันใดแล้วไปตายแล้วไม่ต้องเกิดอีกโขมันแสนสบายแล้วเกินันแหลท่านถึงบกโบนัสชิ้นโบแดงที่ท่านหวังที่สุดเลยนึเนี่ยเหมือนกันท่านก็มาพิจารณาไว้ท่านจะอยู่กี่วันเนี่ยท่านบอกโอ้เวันเท่านั้นเลยเออก็คิดว่าเออเราจะปรินิพานที่ไหนลำดับนั้นท่านก็คิดว่าราหุ่นเนี่ยพล า, าหุ่ปริิพานที่ไหนตอนนั้นราหุน่นท่านพรลาหุ่ปริญพานแล้วพาลาหุ่นปริิพานที่ดาวดึง และัญญากลทัญญาประิพนิพานที่ไหนประิพนิพานที่สะชัดทันเอแล้วเราเราจะประิพนิพานที่ไหนเกิดธรรมสังเวชป่ารบแม่ว่าเออมารดาของเราเนี่ยเป็นมารดาของพระลรหันถึงเจ็ดองแต่ทั้งเจ็ดองเนี่ยยังไม่สามารถทําแม่ให้เลื่อมใสในพระพเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้เลยน่าสลดใจไหม ตัวท่านเองก็เป็นพระรหารน้องอีกสองคนก็เป็นพระรหารน้องสาวสามคนก็เป็นพระรหารหลานอีกคนหนึ่งจุนท่านเนี่ยเป็นเนนก็เป็นพระรหารด้วย <c oughs> <c oughs> โอหพี่น้องเนี่ยเป็นพระรหัรเจ็ดแต่เอาแม่เป็นสมาธิถีไม่ได้น่าสลดนะน่าสังเวชครับแมท่านก็เลยตรวจดูว่าเออแม่มีอุปนิสัยเห็นอุปนิสัยโสดาปิมักของแม่ก็ตรวจดูว่าเออจับบรรลุด้วยเทศนาของไข่ ถ้าบรรลุด้วยทำเทศนาของพระเจ้าท่านก็จะไปตามแม่มาหาพุทธเจ้าใช่ไหมพิจารณาไปพิจารณามาอ๋อบรรลุด้วยเราเองเป็นสาวกเวไนแม่เป็นสาวกเวไนนะแด็วพวกเราเคยตั้งอธยาใสยว่าจะบรรลุธรรมะาจากฟังจากสาวกจากพระพุทธเจ้าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยโหจำกัดมากเลยนะเวลาจำกัดมาก เอาเป็นยังไงเป็นสาวกเวไหนหรือพุทธเวไนเอาต้องการบรรลุธรรมต่อหน้าพระพรกของพระพุทธเจ้าหรือต่อหน้าสาวกองค์ไดอ ง, องหนึ่งก็ได้เลยเม่งเป็นพุทธเวไหนหรือสาวกเวไนดีสาวก เ, เอากันเลอทําไมไม่เป็นพุทธเวไนล่ะบรรลุต่อหน้าพระพักพระพุทธเจ้าเลยยอมแอ้ เป็นพุทธเวไนหรือสาวกเ ว, นวไนเราจะมาที่ตั้งไว้อ่ะที่ตั้งไว้พี่อ้าอย่าไปตั้งไว้ที่ผมทีนี้ พอทราบแล้วจะบรรลุธรรมเทศนาอะไรเป็นต้นเหล่านี้ท่านก็บอกว่าท่านก็สลดใจเนาะท่านบอกว่ามิก็ถ้าเราเนี่ยจะพึ่งควนขวายน้อยก็จะมีคนกล่าวกับเราว่าภาษาลิบุทเทระเป็นที่พึ่งของชนมากมายแต่ไม่สามารถเป็นที่พึง่งแก่แม่ได้เนาะ เขาบอกว่าในวันที่พระเถรรนีนแสดงสมจิตสูตรเนี่ยเทวดาหนึ่งพันโกดได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยตอนภาษาความสามารถท่านขนาดนั้นนะต้องคิดดูที่พันโกดนี่จํานวนเท่าไหร่อันตอนที่ท่านแสดงสมจิตสูตรเนี่ยเนี่ยเทวดาที่แทงตลอดมรรคสามน่ยนับไม่ถ้วนนะที่เป็นพระอรหันต์นี่ยพันโกดที่เป็นพระนาคาเนียนับไม่ถ้วน การตัดสู้ในที่อื่นอีกมากมายและตะกกูนอีกแปดหมื่นทำใจให้เลื่อมใสในพระเถระเนี่ยเกิดในสวรรค์เนี่ยท่านก็สลดใจแต่ท่านไม่อาจจะเปื้องแม้แต่ความเห็นผิดของแม่ได้นีเพราะฉะนั้นจึงตกลงใจว่าเราจะเปื้องความเห็นผิดมารดางตนเองและจะไปบริภารในห้องที่เกิดท่านเกิดห้องไหนท่านจะไปบริิพารที่ห้องนั้นแหละก็คิดว่าวันเนี้ยเราจะไปขออนุญาตแล้ว ท่านก็เลยเรียกพระจุนท่มาถามว่าจุนท่าจุลท่านี่เป็นน้องหรือเป็นอะไรนะเป็นน้องเนี่ยเธอจงไปให้สัญญาแก่ภิกษุห้าร้อยลูกของเราว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงถือบาตและจีวรไปพระสารีบุตรจะสงไปพระสงค์ที่จะไปบ้านนารันทาพระเถราทําอย่างนั้นและเบ็ดเสร็จปุ๊บเก็บเสนาสนะเก็บบาตรจีวรแล้วไปสาํานักของพระเทราพากันไปแล้ว ของเก็บรายเบ็ดเสร็จปัดกวาดเวลาก็าไปนี่ก็จะปัดกวาดเรียบเลยนะที่อยู่อาศัยทั้งหลายเรื่อนี้เป็นต้นพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ห้ารแวดล้อมแล้วไ ป, ป็นเพลาพระเจ้าถวายบังคมพระเจ้าแล้วก็กราบทูลพระเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตข้าพระองค์ขอพระสุคตเจ้าทรงอนุญาตนี้เป็นการปรินิพานของข้าพระองค์เวลาพระเจ้าพระเจริญนิพานนะี่น่าชื่นใจนะ การเวลากันเพื่อจะปรินิพพานเนี่ยน่าเชื่นใจไหมล่ะบอกว่าอายุสังขารของข้าพระองค์ปรงลงแล้วแปลว่าอะไรคำว่าปรงลงแล้วนี่ก็เพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาตรัสว่าทีนี้ตอนนั้นเวลาภาษาลิบุตรเวลานิพพานพระพุทธเจ้าจะตรัสยังไงเธอจงปฏินิพพานเธอพูดอย่างนี้ได้ไหม หรเธอหย่าปรินิพานอา่ะเธอจงปรินิพานกับเธอหย่าปรินิพานเนี่ยสองคำนี้พระเจ้าใช้ได้หรือไม่ได้ใช้กับภาษาอิบุตรได้ไหมเพราะอะไรถ้าบอกว่าเธอจงปรินิพา น, นนี่แปลว่าอะไร อ, อ, อ่ะเนี่ยบอกไปตายได้ไหม อ, ยยอ่ะการบอกให้ไปตายเนี่ย จะกลายเป็นการสรรเสริญความตายซึ่งพุทเจ้าจะไม่พูดคานี้ไปตายซะไปเนี่ยอย่าไปใช้นะคเนี้แล้วก็เธออย่าปรินิพานคานี้ควรพูดไหมเพราะอะไรไม่ใช่เธออย่าปรินิพานเนี่ยถ้าไปพูดคานี้แปลว่าเป็นการสรรเสริญวัตะสรรเส ร, ร, ริญยินดีในการอยู่ เห็นไหมเธอจงปรินิพานพุทธเจ้าก็จะไม่ใช้เธออย่าปรินิพานพุทธเจ้าก็จะไม่ใช้เพราะจงปรินิพานเป็นการสารเสริญแนะนําให้คนไปตายอย่าปรินิพานเป็นการสารเสริญวัตถะฉะนั้นจึงไม่ตรัสแม้คําทั้งสองอย่างนั้นแต่พระุทธเจา้าตรัสว่าเธอจักปรินิพานที่ไหนนี่เห็นไหมคำพูดแม้แม้เพียงแค่นี้ยังเป็นเงื่อนไขแก่บุคคลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเอาไปโจมตีได้ ขนาดนั้นเลยนะเวลาพระพุทธเจ้าจะกล่าวอะไรเนี่ยจะมีสติสมัมปชัญญะค่อนข้างสมบูรณ์มากจะไม่ตรัสคําพ่ําเพลื่อนี่จะประเด็นให้ได้นะตรงนนรตนเนี้ยใยนพระสูตรเนี่ยเนียเข้าใจยังตอนนี้คําพูดบางคํา <c oughs> แค่นิดเดียวแค่ น, นี้เป็นประเด็นหละเธ้ท่านจะาปราริานิพนธ์พระสารีบุตรตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จากปราริยานิพนธ์ในห้องที่ข้าพระองค์เกิด ในบ้านนารันธาแขวนมาโคตพระเจ้าค่าจึงตรัสวาสาริบุตรเธอจงสำคัญเวลาในบัดนี้ต่อแต่นี้ไปเนี่ยก็การเห็นภิกษุเช่นเธอของพราภิกษุผู้เป็นทั้งพี่และน้องของเธอจักหาได้ยากเธอจงแสดงธรรมะแก่ภิกษุเหล่านั้นพระเถระรู้ความนั้นแล้วเนี่ยพระบรมศาสดาทรงหวังเฉพาะการแสดงธรรมอันเป็นการแสดงฤทธ จากของเราก่อนท่านรู้ท่านดีที่พระพุทธเจ้าแสดงนี้ก็แปลว่าพระเจ้าบอกว่าสมบัติที่เธอได้จากพระพุทธเจ้าเธอจงเอามาเปิดเผยทั้งหมดอริยทรัพที่เธอได้จากเราไปเธอเอามาเปิดเผยเอามากลางเปิดดูให้บรรดาภิกษุภิกษณุณีอุบาสกบาสิกาทั้งหลายได้ได้ดู พว่านี่แหละสมบัติที่ข้าพราะองค์ได้จากพระพุทธเจ้าเขาจะได้ชื่นใจเขาจะได้เป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยแก่การที่เขาจะได้มีศรัทธาเก็บอริยทรัพย์ถามว่าภาษารีบุตรที่ท่านได้บรรลุธรรมเนี่ยเพราะท่านได้อริยทรัพย์จากพรุทธเจ้าใช่ไหมใช่หรือไมใ่ใช่ใช่ใช่ไหมอืมเนี่ย พระพุทธเจ้าหวังการแสดงธรรมก็คือหวังการเปิดเผยอริยสัพปะออกมาสำคัญที่สุดคือตรงนี้เธอทำกิจในพระาศาสนาเสร็จแล้วทรัพย์ที่เธอได้จากพระพุทธเจ้าทั้งหมดเธอว่าเยอะไหมในบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหมดใครเป็นผู้เก็บทรัพย์ของพระพุทธเจ้าได้มากที่สุดภาษาริบุตรเก็บทรัพย์ได้มากที่สุดใช่ไหม แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นเป็นพี่ที่รวยที่สุดทรัพย์ที่พระพุทธเจ้ามีอยู่เนี่ยเห็นไหมจะมอบให้ตามกำลังของของสาวกนั่นแล้วต่อมาพระสารีบุตรก็ถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วก็เหาะขึ้นไปประมาณชั่วชั่วต้นตาล น, นี่เนี่ยเหาลงมาแล้วก็กราบพระยุคลบาทของพระพุทธเจ้าทิพพระบาท ออกขึ้นไปใหม่อย่างนี้ทำนี้ครั้งแรกก็ชั่วหนึ่งลำตาลครั้งที่สองก็ช่วสองลำตาลเนี่ยขึ้นไปอยางี้ทำอีกเครั้ง7จ็ดลำตาลแสดงปาฏิหาริย์หลายร้อยอย่างแล้วก็กราบพระบาทของพระเจ้าและพระเถระก็กล่าวธรรมกถาเป็นการแสดงธรรมที่วิจิตพิสดารมากบางคราวไม่มีไม่เห็นพระองคไม่เห็นกายบางคราวก็ปรากฏกายบ้างบางคราวก็ไม่ปรากฏ ด้วยกายเบื้องบนบางบางทีประกอแค่ครึ่งเดียวบางนี้เป็นต้นเราเนี้นะบางทีก็แสดงเป็นรูปดวงจันทร์แสดงทําอยู่งั้นนะบางทีก็แสดงเป็นรูปดวงอาทิตย์บางครั้งก็เป็นรูปภูเขาบางทีก็เป็นรูปทะเลก็คือแสดงเหมือนฉายสไลด์ให้ดูมีภาพประกอบในการแสดงทําตลอดเลยแสดงเป็นภูเขาแสดงเป็นต้นไม้แสดงเป็นทะเลเนี่ยนะ เป็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์บางทีก็เป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิบางทีก็เป็นท้าเวสวรรณนะบางทีก็เป็นเท้าส ก, กา่าบางทีก็เป็นท้ามหาพรมสแสดงปฏิหารหลายร้อยอย่างและก็กล่าวธรรมกถาเป็นไปตามลําดับนี่นะและในที่สุดจริงพระเถระก็ยืนถวายบังคมพระบรมศ า, ศาสดาอยู่ลําดับนั้นพระาศาสดาตรัสกับพระเถระภาษาลิบุตรธรรมะปริยายนี้ชื่อว่าอะไรท่านก็บอกว่าชื่อว่าสีหนิกีริตา ธรรมมปริยายนี้ชื่อว่าสีหนิกิริตะก็คือเป็นลักษณะการเยื่องยางประดุจดังราชสีคือมีความองอาจมีความอาถรรพ์มากพระเทหละก็เหยียดมือเหยียดมือที่มีสีดังขั้งสดเนี่ยแล้วก็จับที่ข้อพระบาทของพระบรมศาสดาพระศาสดายื น, นท่านก็จับที่ข้อพระบาทของพระศาสดา เช่นกับลายเต่าทองางามมากพระบาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจับพางก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์บาเพ็ญบารมีมันหนึ่งสงไขกําไรอีกแสนกลับเข้าใจครับว่าคำเข้าใจครับว่าแสนกลับไหมแสเ อ, เอานับแสนกลับก่นนะหนึ่งสงไขไม่ต้องพูดนะแสนกลับนับยังไง นะครับยังไงรู้ไหมคำว่าแสนกลับเนี่ยเอาโลกใบนี้นะโลกใบนี้นะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเนี่ยแสนครั้งแสนใบนี่ก็เรียกแสนกลับท่านหนึ่งอสงไขไม่ต้องพูดถึงอันนี้อันนี้อนนเศษนะเศษที่พระเถระบําเพ็ญบารมีนะแสนกลับท่านบอกว่าข่าพระองค์บําเพ็ญบา ร, รมีมาหนึ่งอสงไข่กับอีกแสนมากับก็เพื่อถวายบังคมพระบาททั้งสองนี้ของพระองค์ จับข้อพระบาทมนโนรถของข้าพระ อ, องค์ในถึงที่สุดแล้วมนโนรถนะบัดนี้แต่นี้ไปการประชุมกันในที่เดียวกันด้วยอำนาจปฏิสน ธ, ธิไม่ได้มีอีกแล้วสมาคมก็จะไม่มีคือข้าพระ อ, องค์กับพระพุทธเจา้าจะไม่ได้สมาคมจะไม่ได้คบกันอีกแล้วจะไม่ได้คบกันอีกแล้วกระแสะขันหที่เคยเกี่ยวข้องกันมาเนี่ยนะ ก็คือจะไม่ได้สมาคมกันอีกแล้วความคุ้นเคยกันได้ขาดแล้วถามว่าท่านคุ้นเคยกันมามากไหมเกิดร่วมกันมาบําเพ็ญบา ร, รมีร่วมกันมาเพื่อจะส่งเสริมให้ได้สัมมาสัมโพุทธิยานเนี่ยโอ้โหถ้าไม่มีท่านภาษาริบุตรสัมมาสัมพุธิยาณก็มีไม่ได้เห็ไหมหนึ่งในสัมมาสัมพุธิยานนั้นต้องมีอัครส า, าวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายเป็นต้นเนี่ย นั้นเนี่ยท่านบอกว่ า, วาความคุ้นเคยกันได้ขาดแล้วข้าพระ อ, องค์จะเข้าเมืองคือพระนิพพานที่ไม่แก่ไม่ตายกเกษมมีความสุขเย็นสนิทไม่มีภยัยที่พระสามมาสามพุทธเจ้าหลายแสนพระ อ, องค์ได้เข้าไปแล้วได้ปฏินิพพานไปแล้วถ้าว่าข้าพระ อ, องค์ไม่ทรงชอบพระไทยโทษไรๆนะบอกว่าถ้าพระ อ, องค์ไม่ทรงชอบพระไทย โทษลายๆของข้าพระองค์ที่เป็นไปทางกายหรือทางวาจาที่พฤติกรรมข้าพระองค์ที่ทางกายทางวาจาเนี่ยขอพระองค์อดโทษนั้นด้วยข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านี้เป็นการไปของข้าพระองค์แล้วนี่นี่แปลว่าอะไรท่านไปขออะไรขอเข้ามาถามว่าทางใจท่านจะมีไหมท่านจะคิดประตุสลายพระเจ้ามีไหม ไม่มีแต่ทางกายทางวาจาเนี่ยอาจจะมีเพราะท่านอาจจะทำอะไรที่ไม่ถูกบ้างใช่ั้ยเพราะการที่ท่านอยู่กับพระุทธเจ้าก็ดีหรือพู้พุทธเจ้ารู้เห็นว่าท่านทำอะไรมาบ้างก็ดีเนี่ยท่านอาจจะทำอะไรผิดพลาดไปโทษใจๆที่มันเกิดทางกายทางวาจารนีขอให้พระองค์อดโทษให้ข้าพระองค์ด้วยพระเจ้าตรัสยังไงรู้ไหมดูก่อนสารีบุตร เราอดโทษต่อเธอก็โทษลายๆของเธอที่เป็นไปทางกายหรือทางวาจาที่ไม่ชอบใจเรานั้นไม่มีเลยขนาด น, น, นั้นไม่มีเลยสารีบุตรบัดนี้เธอจงสำคัญการอันสมควรถึงเมื่อภาษาบุตรถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วลุกขึ้นจับข้อพระบาทพุเจ้าเลยนะึซบซบอยู่ที่พระบาทเสร็จก็ลุกขึ้น ในลำดับที่พระเจ้าทรงโนุญาตแล้วเนะีแผ่นดินเนี่ยที่ไม่มีใจนะที่กําหนดนับด้วยภูขุนภูเขาซเซเนรุและจักรวาลเนี่ยภูเขาหิมะพานและภูเขาปริพันธ์เป็นร้องขึ้นร้องขึ้นเลยร้องบอกว่าเราไม่อาจจะทรงกองแห่งคุณธรรมเหล่านี้ไว้ได้เล ย, เลยไหวเป็นที่สุดถึงถึงน้ําร้องแผ่นดิน เทพมโหระทึกในอากาศก็เบล่งมหาเมฆก็ตั้งขึ้นฝนบอกคารพัดก็ตกพระศาสดาก็ทําดีว่าเราจะบอกเตือนธรรมเสนาบดีดังนี้แล้วจึงลุกขึ้นเราลุกขึ้นจากที่ฟังธรรมเสด็จมุ่งหน้าต่อพระคันธกดีแล้วประทับยืนอยู่บนแผ่นแก้วพระศาสดานั่งแล้วลุกขึ้นคือที่ลุกขึ้นเนี่ยแปลว่า พระพุทธเจ้ารู้ว่าจะให้ภาษา พ, พ, พระเทระทาอะไรท่านก็ไปยืนบนแผ่นแก้วตรงหน้าพระคันตกุฎีพอไปยืนแล้วเนี่ยประทับยืนพระเถระลุกขึ้นทําประทักสินทําประทักสินทําประทักสินถวายบังคมในที่สี่แห่งกราบเหมือนเราไปไหว้พระเจดีย์เนี่ยเข้าไปเดินประทักสินกราบ ทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สาทิศที่สรอบหนึ่งทำเนี้ยสมรอบเมั้ยรอบแรกนั่นหมายถึงอะไรทกุกสมูทยัยนิโรดมาไม่ว่าอะไรหลวมัีพระุทธเจ้ารอบรู้อริย ส, สัจสีท่ท่านก็มั่นใจแลวตัวท่านเองก็รอบรู้อริย ส, สัจสีตามพระุทธเจ้าพกเป็นกิจที่ควรกำหนดรู้สมูทัยควรละ นิโรธคนทําให้แจ้งมาร์กควรเจริญท่านก็ทําท่านก็เชื่อพุทธิจ้าสอนนี้ทุกพระบรมศาสดากําหนดรอบรู้แล้วแม้ข้าพระองค์ก็กําหนดรู้แล้วสมุทัยพระพุทธเจ้าล้าได้แล้วแม้ข้าพระองค์ก็ละได้นิโรธพระองค์ทําให้แจ้งแล้วข้าพระองค์ก็ทําให้แจ้งตามพระองค์แล้วมาร์กพระองค์เจริญบริบูรณ์แล้วเปิดถนทางนี้แล้วข้าพระองค์ก็ได้เห็นได้ปฏิบัติได้ได้เข้าถึงดําเนินทางนี้ก็ถึงที่สุดแล้ว แล้วถวายกระบอกข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านก็บอกกันเลยแต่นี้ไปหนึ่งอสงไขยแสนมหากับข้าพระองค์หมอบลงใกล้พระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีนามว่าพระอนุมัทศีสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนาเห็นพระองค์คือปรารถนาเห็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่เจอพระอนุมัทศีสัมมาสัมพุทธเจ้าในเสียสนเมื่อหนึ่งอสงไข่ ย, ยิ่งด้วยแสนมหากับนั้น <c oughs> ความปรารถนาของข้าพระองค์สําเร็จแล้ว ข้าพระองค์เห็นพระองค์แล้วเป็นการเห็นครั้งแรกเห็นพระพุทธเจ้าองค์ก่อนใช่ไหมเป็นการเห็นครั้งแรกข้าพระองค์เห็นพระองค์แล้วเป็นการเห็นครั้งแรกนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายเห็นครั้งสุดท้ายการได้เห็นพระองค์ไม่ได้มีอีกแล้วต่อไปนี้จบแล้วแล้ว ท่านก็พอพูดอย่างนี้เสร็จท่านก็ประคองอัญชลีประคองอัญชลีประคองรุ่งเรืองรุ่งเรืองด้วยการประชุมแห่งนิ้วทั้ง10รุ่งเรืองมากคือด้วยจิตตัรูปของท่านที่เกิดจากพลังของสมาบัติพลังของกุศลพลังของกุศลทั้งหลายเหล่านี้ที่เกิดในใจเข้าใจไม่ผักดันปาโมดปีติเกิด รุ่งเรืองมากผิวท่านนิดเป็นข้างนิ้วแต่ละนิ้วเหมือนกับข้างสดนงามรุ่งเรืองมากเลยแล้วท่านก็บอกว่าท่านก็หันหน้าเฉพาะหันไปทางหน้าพระเจ้าแล้วท่านก็ถอยหลังถอยมองมองมองจเจริญวัทฏคุณเนี่ยนมองเพราะท่านบอกว่าเป็นเป็นการเห็นครั้งสุดท้าย ต่อไปท่านจะไม่ได้เห็นอีกแล้วเข้าใจไมมจากคุูอินยานท่านที่ได้เห็นพระรูปของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการเห็นเห็นครั้งสุดท้ายท่านก็มองมองแล้วก็เดินถอยถอยถอยตนแล้วประคองอัญชลีถอยแล้วก็หันหันหน้าตราบเท่าที่ยังได้เห็นได้คือยังเห็นเนี่ยท่านก็ถอยไปเรื่อยถอยไปเรื่อยถอยพอรับไม่เห็นเนี่ยท่านจึงหันกลับ ถวายบังคมแล้วก็หลีกไปแค่ตอนช่วงที่ท่านพอพอการเห็นของท่านมันหมดหมดหมดจากการเห็นนะพอท่านหันกลับปุ๊บแผ่นดินไหวยันน้ารองแผ่นดินแปลว่าขาดไหมขาดแล้วอคระสาวกเบื้องกว่าเบื้องกับพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยแปลว่าความประชุมกันกระแสะขันทั้งหลายความเกี่ยวพันกันหลุดแผ่นดินไม่มีใจก็ยังทนไม่ได้ว่า แผนดินไม่มีใจยังทนไม่ได้เลยไหวไหวยันนํารลองแผ่นดินไหวตอนนั้นน่ยพระพุทธเจ้าได้ตรัสแกเหล่าภิกษุพวกที่แวดล้อมภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงติดตามพี่ชายของเธอเถิขดขณะนั้นบริษัททั้ง4เลยเนะละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมดเลยปล่อยพระพุทธเจ้าเหลือองค์เดียวตามพระสารีบุตรหมดเลยเนีย เดินตามตามออกไปไม่เหลือเลยทีนี้ชาวนครไอ้ชาวบ้านในสาวัตถีพูดว่าภาษาริบุตรลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วประสงค์จะไปปฏิธิพ่านออกไปแล้วพวกเราจะไปเยี่ยมท่านพากันถือดอกไม้ของหอมเป็นต้นออกไปจนแน่นประตูเมืองร้องไห้กันแต่ยายผมร้องไห้กันขํามครัวนี้พวกเราถามว่า ถ้าเรามาที่เชตะวันแล้วไปนาะที่ไหนเนี่ยถ้าไปถามบอกว่าบอกว่าพระเถระพระธรรมเสนาบดีเนี่ยบอกว่าท่านผู้มีปัญญามากนั่งอยู่ที่ไหนพระธรรมเสนาบดีนั่งอยู่ในที่ไหนเป็นต้นเราจะไปสำนักของใครจะไปวางสักการะในมือใครใช่ไหมแต่ก่อนอยากจะไปกราบไปสักการะเอาดอกไม้ไปถาวายในมือท่านท่านรับแล้วต่อไปถ้าท่านไม่อยู่แล้วเราจะไปวางที่ไหนเนี่ย แล้วจะไปกราบว่าจะไปบูชาใครโอมเป็นความเสียหายสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากนะถ้าสูญเสียพระระดับภาษาริบุตรนี่ถือว่าสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากใช่ไหมฉะนั้นประชาชนที่เขาร้องไห้กันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเลยนะน เ, ลเนี่ยโอ้แตนี้พระเถระเนี่ยแล้วก็พากันไปว่าติดตามพระเถระพระเถระความที่ดํารงอยู่ในปัญญา ม, มากก็คิดว่าทางนี้คนทั้งหมดไม่ควรก้าวมาเลยท่านบอกว่า ประชาชนภิกษุทั้งหลายเลยนี้ควรตามเราแค่นี้พอแล้วท่านหันไปท่านก็โอวาทท่านก็บอกท่านผู้มีอายุทั้งหลายแม้พวกท่านจงหยุดเถอะอย่าทิ้งความประมาทในบัพติศพเลยก็คืออยากได้ละเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยท่านก็บอกโอวาทบอกว่าสังขารทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายอย่าได้ทิ้งพระพุทธเจา้าอย่าได้ละเลยพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตอนนี้พระพุทธเจา้ายังทรงพระชนอยู่นะ ท่านต้องรีบไปขนขวายเอาประโยชน์จากการที่สัมมาสมบุทธาอุบัติเกิดขึ้นมาท่านอย่าตามเราเลยอย่าเสียเวลาเลยเราจะไปบริพารแล้วท่านเหล่า น, นั้นก็หยุดพอหยุดก็หันหลังกลับแล้วก็พากันไปเฝ้าพระพิฆาตเนี่ทนะีนี้ในขนาดนั้นนะพระเวรซก็จาริกเป็นไปตามลำดับไปนะที่ไหนข่าวนี้ก็กระจายชาวบ้านก็ร้องไห้กันท่านใช้เวลาเดินทางอยู่หวัน จากสาวถีที่จะไปนารันทาในหกวันนพอไปตลอดเจ็วันนี่แหละในระหว่างพักแรมคืนในทุกแห่งนั้นน่ะถึงบ้านน า, นารันทาเวลาเย็ น, เ, นยเย็นตอนวันที่เจ็ดบางทีถึงวันที่เจ็ด ย, ยืนที่โคนต้นไม้ต้นไซใกล้ประตูบ้านหลานของวัเถละที่ชื่อว่าอุปเลวตาเนี่ยมานอกบ้านเหนรียญวัเถลัก็เข้าไปไหว้แล้วยืนบอกถามว่ายายอยู่ในบ้านไหม บอกว่าอ ย, อยู่ท่านพูดจเจริยจงไปบอกว่าให้ไปบอกยายบอกว่าเราจะมาที่บ้านพระเตละ <c oughs> ยายรู้ว่าเป็นที่อยู่ของว่ามีพระตาพระตามาด้วยห้าร้อยรูปเนี่ยบ้านท่านใหญ่มากคือมีห้องห้าหกร้อยห้องแล้วก็ให้หลานไปบอก พอไปบอกบอกว่าทำไมบอกท่านป่วยหนะักท่านจะมามาพักที่บ้านที่ที่ห้องที่ท่านเกิดแม่ก็ร้องไห้บอกเห็นไหมเนี่ยบ อ, บ, ใใบอกแล้วไม่ให้บวชเขาใจจะบอกแล้วไม่ให้บวชบวชไปแล้วป่วยเห็นไหมพอไปไม่รอดก็ต้องกลับบ้านแล้วมองมองออกใช่ไหมในความคิดของแม่แต่ก็เสียใจไหมเสียใจลูกจะมา จัดที่ห้องให้พระทั้งห้าร้อยรูปเบเสร็จปุ๊บเนี่ยยากถามมาเขาบอกว่านางพามณีคิดว่าลูกชายของเราทําไมจึงให้เตรียมที่แก่ภิกษุเท่านั้นเนี่ยท่านบวชมาตั้งแต่หนุ่มตอนแก่อยากจะคงอยากศึกแล้วเนี่ยตอนเนี้ป่วยก็ป่วยแล้วก็จัดแจงห้องที่ทําคลอดให้ทำเป็นที่พักแล้วก็จุดเทียนจุดตะเกียงไปถวายพระเถระพระเถระพร้อมที่ภิกษุสูงเข้าไปในประสา นั่งแล้วก็ส่งภิกษุไปท่านจงไปพักผ่อนกั น, นพอภิกษุไปแล้วเนี่ยอาพาธก็เกิดขึ้นกับท่านอย่างเรเล่นๆอาเจียนออกมาเป็นเลือดถ่ายออกมาเป็นเลือดเวทนาปางตายเลยเดี๋ยวนี้ยทุกเวทนามากเอาทีนี้เ อ, เอาเอาภาชนะเนี่ยไปรองรับนางพราหมณ์แ ม, แม่แม่ก็าพาชนะก็ไปให้ลูกอ้วกมาเป็นเลือดอ้วกมาเป็นเลือดถ่ายด้วยอ้วกด้วยนี่นะ นางบอก่นางก็ร้องไห้ไม่พอใจเลยยืนพิงประตูดูตอนนั้นไม่พาเทราก็บอกว่าให้ออกให้แม่ออกไปท่านก็อาเจียนอยู่อันนี้พอมืดมืดเริ่มมืดแล้วเท้าจ่าตุมมหาราชมาแล้วมาเทวดามามาตัวตัวยขามา็นเสร็จปุ๊บเข็นท่านนอนบนเตียงที่ปริพันธ์ พวกเราจะไปเยี่ยมท่านแล้วพระสารีบุตรเห็นท่านมามีแสงสว่างมาด้วยก็เลยถามว่าเป็นใครใช่ไหมเท้ามหาราชทั้งสี่บอกว่าข้าพเจ้าจะมารับใช้ท่านจะมาคอยดูแลพระสารีบุตรก็บอกช่างเถิดผู้บำรุงเราผู้เป็นไข้เนะ่ยมีอยู่พวกท่านยังไปเถิดแล้วก็ส่งกลับไปบอกว่าไม่ต้องมาดูแลหรอกเรามีสมมาเนรเรามีพระ ด, ดูแลอยู่พอท้ามหาราชเท้าจ่าตุลไปได้พักหนึ่งเท้าส ก, กา่าใหม่ สก่มามหแสงสว่างก็เต็มไปหมดเลยทตนี้พเท้าสกามาก็มาอุปถากนี่แหละในยะบอกว่าเท้าสกาในเวลาอุปถากพระเทระนี่อุจลาราปสวะที่พระเ ท, ะทเรนทายใส่ภาชนะในที่ทูลศรีรษะเลยนะทูลศีษะเอาไปทิ้งเลยขนาะดขนาดนั้นเลยนี่ดูสิเนี่ยเทวดาอุปถาเลยนะแม่เห็นตกใจเนี่ยแล้วต่อมาไม่นานเนี่ยเท้ามหาพรหมก็มา ก็มามาอุปถากท่านก็ส่งกลับไปเนี่ยทีนี้แม่เนี่ยก็เข้ามาหาลูกมาถามถามบอกว่าตอนหัวค่ำเนี่ยมีมีใครมาหาลูกที่มีแสงสว่างเนี่ยภาษาลูบุตรตอนนั้นก็ให้สัมมเนรประคองท่านนั่งแล้วก็คุยกับแม่บอกว่าอ๋อ ตอนหัวค่ำเนี่ยท้าหมาหาราทั้งสี่มาเยี่ยมอาตมาแม่ก็ถามว่าเจ้านี่ใหญ่กว่าเท้าหมาหาราอีหรือพ่อภาษาริบบอรว่าอุบาสิกาท้ามหาลาทั้งสี่เหมือนเด็กวัดเนี่ยตั้งแต่ที่พระบรมศ า, ศาสดาของเราเนี่ยประสูถือปฏิสันทิก็ถือพระขันอาลักขาแล้วมาถือมีดถือหอกคอยอาลักขาเพื่อไม่ให้ไม่ให้พระบรมศาสดาที่อยู่ในครั น, นเป็นอันตราย บอกโอ้โหกันนตกใจไหมบอกโอ้โหยิ่งใหญ่กันาะนั้นแล้วก็ถามบอกว่าพอคล้อยเท้ามหาราชไปแล้วใครมาอีกพระเถเระก็บอกว่าเท้าสกะจอมเทพแม่ก็บอกว่าเจ้าเนี่ยใหญ่กว่าเท้าสกะจอมเทพอีกหรือบางพระารีบุตรก็บอกว่าอุบาสิกาเท้าสกะก็เช่นเดียวกับสมณเณรที่ถือของเวลาที่พระบรมศาษษษสดาน ะ, สะเสด็จจากดาวดึงอ่ะว่างั้นเถอะ ถือบาทและจีวรตามสเสด็จพระเจ้าก็เหมือนเนรนี่แหละทีนี้แม่ก็ถามว่าอาพอคล้อยเท้าสากะาไปแล้วเนี่ยแล้วใครที่มาหาดูสว่างสวัยมากภาษาลิบุตรก็บอกว่านั่นคือเท้ามาหาพรหมที่เป็นพระเจ้าของโยมแม่นั่นแหละแม่นับถือโอ้ตกใจเลยบอกพ่อใหญ่กว่าเท้ามาหาพรหมใหญ่กว่าพระเจ้าของของแม่อีกหรือ ภาษาริบุตรกูบาสิกาเล่ากันว่าเท้าหมาพรมทั้งสนั้นตอนที่พระบรมศาสดาประสูติเอาไขา่ทองคํามารองรับพระหมหาบุรุษพระพุทธเจ้าโอ้พนางคิดว่าโอ้เพียงลูกของเรายังมีอนุภาพขนาดนี้แล้วพระบรมศาสดาของลูกจะมีอนุภาพขนาดไหนเนาโอ้ปอีติเกิดเขา้าใจยังแม่ปีติเกิดปาโมดปีติประสิทธิเกิด ภาษาลิบุตรก็เข้าสมาบัติดูเห็นใจแม่มาแล้วเปิดแล้วใช้เปิดแล้วพอพอจิตของแม่เป็นอย่างนั้นแล้วพระเถระก็แสดงพุทธคุณเลยแสดงภาษาลิบุตรในขณะที่พระบรมศ า, าสดาก็เล่าถึงเรื่องศีลคุณสมาธิคุณในหมื่นโลกธาตุ ในขณะที่ตัสรุประกาศธรรมจากหมื่นโลกธาตุก็หวั่นไหวท่านก็แสดงอนุภาพของพุทธคุณนี่นอิติวิโสพระวาเป็นต้นแล้วก็แสดงอนุภาพพอแสดงพุทธคุณจบแบบรายละเอียดเลยนะแม่ฟังไปฟังไปฟังไปเนี่ยเดินปราโมดปีติปสัสธิสุปุ๊บแล้วท่านก็ต่อวิปัสนาญาณต่อได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแม่ได้บรรลุเลยพอได้บรรลุ ป บ, บเนี่ยได้โซดาปฏิผลก็กบับก็กล่าวกับลูกว่าพ่ออุปติสาทำไมพ่อจึงทำอย่างนี้พ่อไม่ได้ให้อมตะทำให้แม่เห็นปานนี้ตลอดการแล้วเท่านี้วางก็ภาลนาโอ้โหเนี่ยเนแม่เกือบตายแล้วเนี่ยทำไมเพิ่งให้อมตะทำแก่แม่ตอนนี้วางเตอพระเถราคิดว่า เ, ออเราได้ทำสิ่งที่ควรทำแก่มารดาแล้วข่าเลี้ยงดูสำหรับานางพรหมณีเนี่ยควรแล้วเราได้ตอบแทนคุณของแม่แล้ว เนี่ยค่าน้ำนมที่เรากินมาเนี่ยเราตอบแทนจบแล้วอย่งนั้นเถอะบอกว่ามหมา ว, า ส, ม า, วาสิกาท่านจ้งออกไปเถอะจบเพื่ออย่างจบกิจทั้งท่านทนี่อย่งบอกให้แม่ออกไปส่งนางพรมณีไปแล้วก็เรียกจุนทะเข้ามาบอกถามจุนทะใกล้สว่างหรือยังต่อไกลแล้วงั้นไปเรียกภิกษุทั้งห้าร้อยมือห้องนั้นน่ยบรร จ, จุพระเดียวห้าร้อยรูปห้องที่ท่านเกิด ห้องที่ท่านก็ห้าร้อยเลยใหญ่ไหมโอ้ท่นไปกราบมาแล้วที่ตรงนี้ตอนนี้เป็นเหมือนเจดีย์ใหญ่ท่นไปทีไรท่านไปกราบบูชาที่ตรงที่ท่านปริรนิพนิพันธ์อยากไปบูชาไปแล้วเราได้รู้รายละเอียดตรงนี้เลยมหาเวลาไปบูชากันตะข่างดีไหมได้เคยไปยังเนี่ยเดี๋ยวไปตะข่างไปละ้ะบินไปลงพุทธกยาแล้วก็นั่งรถจากพุทธกยาไป อยู่ที่ใกล้ๆมาหมาอะไรนาลันทาแต่เราไม่รู้ว่าตรงไหนเนี่ยความไม่รู้นี่น่ากลัวตรงนี้เลยไปใหญ่มากเลยนะเห็นไหมที่เป็นรูปยังใหญ่เลยอะ่ะยังใหญ่ที่ตรงนั้นเขาไม่ให้เข้าไปนะแต่เราฉันไปแสดงเรื่องนี้ฉันแสดงไม่ได้แสดงไปก็จะร้องไห้ไปฉันพูดไปได้นิดเดียวหยดุดเดียวหยุดที่ตรงนี้ คือคือถ้าแสดงแบบอย่างนี้ได้นะอย่าไปคิดลึกลงไปนะคิดลงผิวเผิอนอย่างนี้ได้ถ้าไปแสดงแบบปากความรู้สึกเข้าไปเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยโอ้โหไม่ได้เพราะเราจําเรื่องราวได้เยอะจัดจําได้เยอะจัดทีนี้ พอพระเถระพระจุนท่านี่นะท่านจุนท่านไปตามภิกษุมาแล้วเนี่ยพระสารีบุตรก็บอกแต่จุนท่าบอกว่าเธอจงประคองเราให้นั่งจุนท่าเพราะฉะนั้นท่านไม่ไหวแล้วพระจุนท่าก็ประคองท่านให้นั่งแล้วพระเถระก็เรียกภิกษุทั้งหลายมาบอกอาวุโสถแปลว่าท่านผู้มีอายุนี่นะ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 ดุดเงาของท่านตลอดการเท่านี้สี่สิบห้าปีที่ผมตามท่านมาเนี่ยเพราะงั้นผมไม่เคยไม่ชอบใจพฤติกรรมของท่านทางกายทางวาจาเลยนะขอท่านจงอดโทษให้พวกข้าพเจ้าด้ยเถิดลำดับนั้นพระเถระพอก่าวอย่างนั้นเบีเสร็จแล้วก็เตือนภิกษุทั้งหลายแล้วก็ให้ให้พระจุนท่านเนี่ยจับท่านนอนลงพอก่าวลาเบีเสร็จปุ๊บท่านดึงจีวร เดิงกีรนเข้าปิดหน้าท่านปิดตัวเองปิดหน้าเนี่ยปิดหน้านอนนอนด้านขวาท่านก็เข้าบัตรสมาบัติปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจดุยฌานเข้าอากาสารา น, นจายตนะอากินนปุ๊บแล้วเข้านิโรธสมาบัติพอเข้านิโรธสมาบัติตามลําดับและทั้งอนุโลมเตโวมเหมือนที่พระบรมศาสดาเลยแล้วท่านก็ไล่ลงมาจนถึงปฐมฌาน พอถึงปฐมฌานเวส์เสร็จปุ๊บท่านก็เข้าทุติยฌานตติยฌานเข้าฌานที่สี่พอออกจากฌานที่สี่ปุ๊บท่านก็รินิพพานท่านดึงกีวรปิดหน้า น, นอนทีนี้พอนอนขวาในขณะที่ท่าน ออกจากจเจตุจารยแล้วปรินิพานเนี่ยมหมาปทพีก็สั่นสะเทือนการปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสานิพานอุบาสิกาเนี่ยคือแม่รีบเข้าไปเข้าไปก็ไปบีบที่เท้าพระเถระบีบบีบยังไงก็ไม่มีเสียองออกมาก็ฟุบลงตรงนั้นร้องห้แม่รองห้ ร้องไห้บอกว่าพ่อแม่ไม่รู้คุณของพ่อแม่ไม่รู้คุณของพ่อร้องไห้อยู่เ น, นี่ยนึงก่อนหน้านั้นไม่เคยรู้เลยว่าพ่อมีคุณขนาดนี้ว่าเงินเต๋อองร้องไห้แล้วก็แม่แม่แล้วก็พาลณนาว่าแม่เบเรนนิมณ์พ่อพร้อมในภิกษุสงฆ์พันรูปหมื่นรูปแสนรูปมาที่บ้านมาถวายทานพาลานอยู่นั่นแหละนั่อาลานา โอ้โหไมเราไม่นิมนต์ลูกเราไม่นิมนพ่อใช่ไหมนิมนต์พภิกษุสองห้าร้อที่ตามพ่อนิมนต์หมื่นรูกแสนรูปก็ได้หลายแสนรูปก็ได้มีพระทีเจ้าเป็นประมุกเราไม่ได้เจริญกุศลเหล่านี้เลยเนี่ยพลนางี้ยกําลังมีขนาดนั้นลองคิดดูดิมีทรัพย์ขนาดนั้นมีกําลังขนาดนั้นแต่เราไม่ได้เดินกุศลขนาดนี้เนี่ยพลนางพลนางไม่ได้ให้นิมนต์เลยไม่ได้ลูกไม่ได้มาฉันเลยอะ่ะ ไม่ทันได้เลี้ยงลูกถวายอาหารลูกไม่แต่มื้อนึงเลยลองคิดดูสิเนี่ยตั้งแต่ลูกออกบวชนี่เสียใจไหมวันนี้เสียใจเนี่ยแล้วแต่จัดงานศพบนโอ้ยิ่งใหญ่มากจัดงานศพพระเทศแล้วทั้งเทวดาทั้งอะไรมากันบู้ประชาชนมากันเพียบหมดแล้วก็มีนางเลววดีอ่ะ ถือดอกไม้ทองสามต้นจะมาบูชาศพพระเถระเข้ามาในงานนั้นคนเยอะโดนเหยียบตายในงานเลยเนี่ยเนี่ยโดนเหยียบตายในงานเลยว่างั้นเดนไปคนเยอะขนาดนั้นนะยงานศพแล้วโดนเหยียบกันตายแปลว่าคนต้องเยอะมากเนี่นางถือดอกไม้ทองอยากจะไปบูชาศพพระเถระเนี่ยไปไม่ถึกอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยล้มพอล้มคนก็ไม่เห็นดิก็เหยียบตายเลยพอตายเสร็จไปอยู่เดาดึง วิมานโอ้โหทองเทาา้าสก่ากระถาโอ้โหเนี่ยอะไรเนี่ยนึยิ่งใหญ่ขนาดนี้บอกก็ไม่กล้าบอกเหมือนกันนะตนเองยังไม่ทันได้บูชาเลยโอ้โหขนาดยังไม่ได้บูชาโยบุญยังยิ่งใหญ่ขนาดนี้รีบลงมาบูชาตอนเป็นเทวดาแล้วก็มาประกาศบุญให้เทวดาและมนุษย์ได้เห็นว่าเนี่ยขนาดฉันยังไม่ทันได้ไวาสบอกวราเทไล่บุญยังยิ่งใหญ่ขนาดนี้ฉะนั้นถ้าจะไปไว่ายพระเจ้าแล้วโดนเหยียบตายอย่าไปกลัว เขาใจ่ยังยัไปกลัวบุญขนาดนั้นเลยนะยิ่งใหญ่เนละเหมือนนางหนึ่งถือดอกบวบขมออเดินไปกระทางเนี่ยเก็บดอกบวกขมสามดอกเนี่ยเดินไปยังไม่ถึงระหว่างเลยโดนโดนวัวผิดตายอะ่ะโอ้โหวิมานยังใหญ่ตัวเขาถามว่าทำบุญอะไรนี่ถขาบุญใหญ่จังไม่กล้าบอก <laughs> ไม่ได้ไปเอาดอกไม้ที่ไหนเลย <laughs> เก็บดอกบวบหมสามดอกอยังไปไม่ถึงยังบุญขนาดนี้งั้นอย่า ก, กลัวอย่า ก, กลัวการรูชาผู้เท่เจ้าได้วิมานทองดันดาวดึงเลยเนะยนางมีอดตมแล้วนางมานางมาประดับด้วยเครื่องประดับอลังการล่ามากมีนางฟ้าตั้งพันหนึ่งแวดล้อมลองคิดดูทีถือดอกนิดไอดอกไม้ทองคำสามดอกไปยังไม่ทันถึง นางฟ้าแต่ละคนเนี่ยนะที่เป็นบริวารของเธอเนี่ยผิวกายใสยเป็นกระจกเวลานางจะแต่งกายเนี่ยดูดูเข้าเป็นนางดูครับเกี่ยวเกี่ยวับเรื่องนางนบริวารเหล่านี้ไม่ต้องดูกระจกเลยดูแค่ที้ก็เห็นรูปสเสด็จ ง, งามอลังการล่ามาก <c oughs> อุ้ยงามขนาดนั้นก็คิดเลยทำกรรมอะไรอ๋อระบูชาวทาดอกไม้แค่สามดอกนี่เองที่จะไปไหว้พระเถละแล้วถูกเหยียบตายว่างั้นเถอะ ขนาดตายที่นั่นจะเกิดโอ้โหผลบุญยิ่งใหญ่ขนาดนี้เอาียยอย่างนี้ดีกว่าเราจะต้องไปบอกบุญแก่มหาชนท่านก็ลงมาพร้อมได้วิมานพร้อมได้บริวารต้องเป็นพันเลยแล้วก็มาบอกเนี่ยชีวิมนใ ห, ให้ให้มนุษย์ในยุกนั้นเห็นยวดูที่เนี่ยฉันโดนเหยียบตายฉันยังได้บุญขนาดนี้พวกท่านบูชายดีๆนะท่านจะยิ่งใหญ่กว่าฉัน <c oughs> โห้ตายเลยว่ <c oughs> างไงเมง ยังไมบูชาหน่อยนะหาอะไรบูชาพระเจ้าหน่อยบอกไปบอกมาหาชนในดิฉันชื่อเรวดีบูชาพระเถระด้วยดอกไม้สามดอกเนี่ยยังไม่ทันไปถึงเลยถูกเหยียบตายเกิดในดาวดึงแล้วงั้นเชิญท่านทั้งหลายจงดูสิริสมบัติของเราเนอะบัตรนี้พวกท่านจงให้ทานจงรักษาศีลจงบูชาบุคคลที่ควรบูชา แล้วเธอก็ทำะทักษินเชิงตะกรัพระเถระเสร็จแล้วก็กลับที่อยู่มหาชนเห็นอย่างนั้นโอ้โหตื่นเต้นกันใหญ่มันเห็นประจักษ์ขนาดนี้เลยนะในสมัยนะั้นคนมีบุญนี่พระจุนท้าก็หลังจากบูชา <c oughs> พระบรมศพเออไม่ใช่ศพของพระเถระเสร็จแล้วเผาเผ า, เ, าเสร็จก็เหลือแต่ธาต ก็เอ า, าธาตุนึงนะั้นลงในภากรองน้ําแล้วก็อันนี้เราไม่อาจจะเก็บไว้ที่นี่ได้แล้วจักไปกราบทูลการปรินิพานของพระสาริบุตรพี่ชายของเราว่าปรินิพานเดียเด๋ยวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถืออห่อผ้านี่แหละบรรจุระทาตเอาบาตของพระเทรซาไปด้วยจีวรเพื่อไม่ได้เผาเอาจีวรพระเทรซาไปด้วยไปที่เมืองสาวกทีเดินไม่พักเลยอะทั้งวันทั้งคืนประมาณสองวันท่านเดินเต็มที่เลย สองวันกลางคืนสองคืนก็เป็นสี่เนยเนะเดินไปถึงก็ไปหาพระอนุนพระอนุนเป็นอุปชาของท่านเนี่ยพระจุนทัก็อาบน้ำที่สะแล้วก็ในเชตวันแล้วก็นุ่ง่มในสะมีสะอาบน้ำเนี่ยเพื่อสะเขาทำแอบพระจ้าอัยนาถาพิณิกาคูสะใหญ่เป็นที่สงนาของพระสะใหญ่เล ย, เยี่ท่านก็ส่งน้ำตรงนั้นแหละ ก็ไปฝัาพระพุทธเจ้าทีนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระุทธเจ้าก็รับเหยียดพระหัตต์รับเอาผ้ากรองไอ้ผ้าที่หอ่อพระธาตุไว้บนพระหัตต์ก็ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุใดวันก่อนทําปาฏิหาริย์หลายร้อยอย่างขออนุญาตการปริญิพานบัดนี้ธาตุ ทั้งหลายเปรียบด้วยสีสังเหล่านั้นของเธอปรากฏอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุที่บำเพ็ญบา ร, รมีมาหนึ่งอสงไขยแสนม า, ากับยังธรรมจักรที่เราให้เป็นไปแล้วให้หมุนเป็นไปเธอเป็นผู้สอนเป็นผู้สอนองค์ที่สองที่เราได้เฉพาะเป็นผู้ให้สาวกสันนิบาตครบ ภิกษุนี้เว้นเราเสียหาผู้เสมอด้วยปัญญาในหมื่นจักรวาลนี้ไม่ได้มียกย่องเลยนะเธอมีปัญญามากเธอมีปัญญาหนาแน่นเธอมีปัญญาแก่กล้ามีปัญญาที่บันเทิงมีปัญญาเร่นเร็วมีปัญญาคมกล้ามีปัญญาแทงตลอดเธอมีความปรารถนาน้อยสันโดษสงัดไม่คลุกคลีปารบความเพียรเป็นผู้ตักเตือนติเตียนความชั่วเธอละมหาสมบัติที่ได้เฉพาะแล้วบวชแล้ว 500ชาติใน500ชาตินะด้บดมีความอดทนเสมอด้วยแผ่นดินในศาสนาของเราเช่นกับโคอุสุพะที่เขาขาดมีจิตอ่อนโยนเช่นบุตรคนจันทานไปในที่ไหนนะ่ไม่มีมานะเลยมีจิตที่อ่อนโยนมากไม่กระทบกระทั่งกันเลยเหมือนโคเขาขาดไปในที่ซอก เล็กๆก็ไม่เอาโควไม่เอาเขาไปกระทบทางนั้นกระทบทาวนี้คือไม่ไม่ไปใช้กาพูดหรือการกระทำไปกระแทกใครเป็นคนอ่อนโยนมากอ่อนน้อมางมีจิตอ่อนโยนเหมือนบุจันทรานดูก่อนพิสษทั้งหลายพวกเธอจึงดูธาตุของผู้มีปัญญามากจึงดูธาตุจึงดูกระดูกของคนที่มีปัญญามากมีปัญญาหนาแน่นมีปัญญากว้างมีปัญญาร่นเร็วมีปัญญากล้าแข็งมีปัญญาชแร ก, กิเลส ผู้มีความปรารถนาน้อยสันโดษสงัดไม่คลุกคลีปารบความเพียรผู้ติเตียนความชั่วสารีบุตรใดละกามแล้วเป็นที่รื่นลมแห่งใจบวชแล้ว500้ชาติพวกเธอจงไหว้ภาษารีบุตรนั้นผู้ปราศจากราคะมีอินทรีย์ที่สํารวมดีแล้วปรินิพพานแล้วเถิดสารีบุตรใดมีความอดทนเป็นกําลังเสมอด้วยแผ่นดินย่อมไม่หวั่นไหวทั้งที่เป็นไปในอํานาจจิต ด้วยมีความอนุเคราะห์เป็นผู้ประกอบด้วยกรุณาปรินิพานแล้วพวกเธอจงไหว้สารีบุตรนั้นเถิดลูกจันทาน้าไปพระนครแล้วมีใจเจียมตัวถือกระเบื้องเที่ยวไปแม้ฉันใดสารีบุตรก็ฉันนั้นพวกเธอจงไหวสารีบุตรที่ปรินิพานแล้วเถิดโคอุสุภะมีเขาและหูขาดแล้วไม่เบียดเบียนเที่ยวไปไภายในเมืองฉั้นใด สารีบุตรก็เป็นฉันนั้นเหมือนกันเธอจงไหวาสารีบุตรผู้ปริดิษฐานแล้วเติดพระเจ้าสารเสริญพระเถระด้วยคาถาแบบนี้ไลไปเรื่อยๆห้าร้อยคาถาสารเสริญคุณของพระเถระเนี่ยพระนนท์ก็กราบทูลว่าอ ป, ปิเมพันเตมธุ ร, รักาชาโตวิยากายโยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกายของข้าพระองค์ย่อมวันไหวปานประหนึ่งว่าละ ง, งมงไปบอกว่าข้าพระองค์ทนไม่ไหวแล้วร้องไห้พระพรนนท์ร้องไห้ คำว่ามัทุระชาโตก็แปลว่าละ ง, งมไปอะละ ง, งมที่เขาบอกว่าท่านก็ร้องให้ <Okay. S 1> พระพุทธเจ้าก็ถามมาดูก่อนอานนนภาษารีบุตรเนี่ยปรินิพานเนี่ยเอาศีลขันสมาธิขันสมาธิขั น, ขนปัญญาขันวิมุตติขันวิมุตติญาณนะทัทสนขันปรินิพานไปด้วยหรือเปล่าปรินิพพานไปด้วยไหม ไม่ได้ปริทิพานไปด้วยไม่ได้เอาศีลปริทิพานไปด้วยไม่ได้เอาสมาธิไม่ได้ปัญญาปริทิพานไปด้วยเธอจะไปร้องไห้ทําไมพระนรนตอบว่างพระนรนตอบว่างไนบอกไม่ได้เอากองแห่งศีลสมาธิปัญญาวิมุตติปริทิพานไปด้วยหรอกแต่ว่าภาษารีบุตรเนี่ยเป็นผู้อนุเคราะห์เพื่อนพเมจารีทั้งหลายท่านเป็นผู้มีอนุเคราะห์มาก สรุปแล้วก็คือว่าพระพุทธเจ้าก็เตือนว่าจริงๆแล้วเนี่ยกายนี้ไม่ยั่งยืนหนอปราศจากวิญญาณอันเขาทิ้งเสียแล้วจากถมทับลงแผ่นดินเราก็ท่อนไม้ได้ท่านฟืนหาประโยชน์ไม่ได้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาขั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความสงบระงับสังขารเหล่านั้นได้เป็นสุขคนที่ทําให้พระอานนท์ร้องไห้มีอยู่2ท่านนะ หนึ่งภาษาลิบุตรปรินิพานสองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพานและอย่างเราพอฟังเรื่องนี้แล้วได้อะไรอ่ะได้เลยเอาล้ในเรื่องนี้นะสรุปประเด็นก็คือว่าพระพุทธเจ้าต้องการชี้เห็นว่าจริงๆภาษาริบุตรไม่ได้เอาศีลสมาธิปัญญานิพานไปด้วย ศีน ส, สมาธิปัญญาคือพระธรรมวินัยยังอยู่ที่จะเป็นปัจจัยต่อการที่ทําให้เราเนี่ยเข้าถึงศีนสมาธิปัญญานี่ให้เห็นว่าการปรินิพพานของพระเทระนเนี่ยเป็นความจริงของชีวิตที่เป็นไปอย่างนั้นเราทั้งหลายก็ต้องพยายามฝึกตนเองให้เข้าถึงศีนสมาธิปัญญานั้นให้ได้เอาเดี๋ยวอุทิศส่วนกุศลกันสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ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 มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ก็ดีสัตว์เราได้รู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผงให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เราใด้ที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรโดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผงให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร อยู่เป็นสุขทุกเมือ่อจนถึงบทอันกเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเทินสาธุสาธุสาธุาธอรหังสัมมาสัมพุทโธพระวาพุทธังพระวันตังอะิวาเทสวาขาโตพระขวัตาธรมโมธรมมังนมัสสม สุปฏิปัโนโนภควะโตสาวกสังโขสังขัง